Book <42. S> 2 42 42การเที่ยวเมืองตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมครับรรนิสโมกิร์รศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับรรด ส, ดดบสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับพิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับ อเดเอสินเปิดทุกวันสุกใช่ไหมครับอเดิาเดสามารถถ่ายรูปได้ไหมครับร ต, รต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับียย ม, มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับรรรปปมีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับรรมีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ นั่นตึกอะไรครับโคชปาสตัสตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับเกียกชามปาสตุยแมทุใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับคาสปาสตาติชปาสตัสต์ผมสนใจในสถาปัตยกรรมอสตูมือเซฮิเต็กตูระ ผมสนใจในศิลปกรรมอาดูมือซิมนโนผมสนใจในจิตกรรมอาดูมือซเดละ